ก็คือความสงบระงับดับไปของกิเลสและของความทุกข์แต่ปัญหาที่น่าศึกษาก็คือว่าทําอย่างไรกิเลสจึงจะดับไปและความทุกข์จึงจะดับไปอุบายทยุตีต่างๆที่จะให้เกิดผลเช่นนั้นจึงทรงแสดงไว้เป็นอันมากซึ่งครนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าถ้าเรามองให้เห็นเป็นภาพรวม ก็จะพบว่าการละ ก, กิเลสบางอย่างนั้นก็เพียงแต่บุคคลปรับใจตนเองให้ยอมรับความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของสิ่งทั้งหลายจึงเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องมีความเสื่อมสลายและแตกดับไปเป็นธรรมดาก็ยอมรับในแต่ละขั้นตอนของสิ่งเหล่านั้นเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็ยอมรับว่าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาของมันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปก็ยอมรับว่า เป็นธรรมดาั้งมันสิ่งที่แตกสลายก็ยอมรับว่าเป็นธรรมดาในความทุกข์ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นก็จะสงบระงับดับลงไปเพราะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ดับไปของสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุแต่บางอย่างก็ขอให้เพียงมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านั้นเท่านั้นและพยายามถอยห่างออกไปจะโดยวิธีใดก็ตาม ความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นได้และบางอย่างก็เป็นเรื่องที่จะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติถ้าหากเาลงมือประพฤติปฏิบัติตามนั้นแล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามที่ทรงแสดงไว้แต่วิธีปฏิบัตินั้นก็มีการหลากหลายออกไปอกีกเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมะนั้นส่วนหนึ่งมันมีอยู่แล้วภายในใจเรา กิเลสเราเรียกว่าอาสวะบั้งเรียกว่าโอคัคบั้งเรียกว่าอนุสัยบั้งเรียกว่าโยคะบั้งมันก็มีอยู่แล้วทั้งนั้นควาธรรมเราก็เรียกว่าบารมีบั้งกุศลธรรมต่างๆบั้งส่วนหนึ่งก็มีอยู่แล้วเป็นตัวนํามาสู่ภพชาติต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องของกิเลสกับเรื่องของกุศลนั่นเองที่ท่านสรุปรวมเป็นเรื่องของกรรมกรรมมันก็มีดีและมีดี ทำหน้าที่จำแนกแบ่งแจก <Okay. S 1> พบชาติตลอดถึงรูปร่างหน้าตา <Okay. S 1> พื้นฐานสติปัญญาของเราแบบแสดงว่าส่วนหนึ่งเราก็ติดตัวมาแต่กับเนิด์ตแล้วทั้งด้านดีและด้านไม่ดี <Okay. S 1> แต่ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในปัจจุบันจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันก็เกิดขึ้นทั้งดีและไม่ดีเหมือนกันดังการปฏิบัตินั้นจึงมีวิธีซี่ จะมองเห็นได้ว่าในส่วนหนึ่งถ้าหากว่าความชั่ว ย, ยังไม่เกิดก็พยายามป้องกันไม่ให้เกิดแในทางเกิดของความชั่วนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากบุคคลจากสถานที่จากอารมณ์ต่างๆถ้าอยู่ในวิสัยที่จะหลีกเว้นได้พระเจ้าก็ทรงสอนให้หลีกเว้นจากสถานที่จากบุคคลจากอารมณ์เช่นนั้นแต่บางอย่างแกก็เกิดขึ้น ผ่านมาทางประสาทสัมผัสเราเจะหลีกเว้นมันก็ไม่ได้ฉะนั้นก็ส่งสอนในชั้นของการสัมรวมระวังคือไม่ใส่ใจในกรณีที่จะเพิ่มกิเลสแต่ในกรณีเดียวกันสิ่งเหล่านั้นบางทีสถานที่บุคคลอารมณ์มันเกื้อกูลต่อการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะเกื้อกูลต่อความสุขความสงบพระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้บุคคลเ้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้น เกิดไปในสถานที่นั้นเขห า, ากับบุคคลเหล่านั้นใส่ใจถึงอารมณ์เหล่านั้นก็สรุปว่าตัวอารมณ์เองอาจจะเกิดกุศลก็ได้อาจจะเกิดอกุศลก็ได้แต่โดยทั่วๆไปแล้วสำหรับใจของบุคคลที่ขาดปัญญาเป็นหลักโอกาสที่จะเกิดอกุศลก็มีได้ง่ายดังนั้นจึงทรงสอนให้ดิกเว้นอารมณ์ที่เป็นข้าศึกดังกล่าว ถ้าแกเกิดขึ้นในขณะนั้นก็สำรวจระวังคือไม่ใส่ใจต้องใช้คำว่าอินรีสังวรแต่บางครั้งก็ระลึกออไม่ทันแกผ่านมาแล้วเราก็ใช้สติสังวรคือสํารวมด้วยสติแกจะเกิดขึ้นภายในจิตแล้วแสดงอาการแล้วสติก็ทำหน้าที่ระลึกว่าอันนี้เป็นอกุศลก็ต้องขจัดออกไปถึงบางครั้งเสังเกตว่าเจนรับประทานอาหารเข้าไป ก็ผ่านเข้าไปในปากแล้วเคี้ยวแล้วแต่ในขณะเคี้ยวอยู่นั่นเองเระลึกได้ว่ามันมีก้างอยู่สติก็ระลึกทันแล้วก็ขายทิ้งอันตรายก็ไม่เกิดแต่ถ้าปล่อยให้กรืนผ่านลําคอลงไปมันอาจจะมีปัญหาดะนั้นชั้นของสติสังวรเพึงสังเกตว่าเราจะใช้ได้ตั้งแต่ช่วงที่กิเลสยังไม่เกิดขึ้น ในช่วงที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ก็จะลดความรุนแรงได้ด้วยสติสังวรแต่บางครั้งมัมีลักษณะกระแทกกระทันคือมีความกำหนัดมีความขัดเคืองที่รุนแรงเกิดขึ้นภายในใจเราก็แก้มันไม่ทันแล้วก็ต้องใช้ธรรมะปฏิบัติที่เียวขันติสังวรคือสํารวมด้วยขันติความแก่เกิดแก่ก็เกิดแหละแต่เราก็ยังกระจัดแก้ไม่ได้ในขณะนั้น จะทำยังไงว่าทนความรุนแรงของแกนชั่ชาพอกขณะนั้นให้ได้ไม่ได้ไปขยายเพิ่มขึ้นเพราะจะเพิ่มขึ้นทั้งจุดหนึ่งเราก็ทนไม่ได้ตีประการหนึ่งนั้นบางทีนี่มันก็แรงกว่านั้นหรือมีลักษณะที่รุนแรงมากกว่านั้นแต่ก็ใช้วิริยะสงังวรคือสํารวมขูดกราวันไปเรื่อยๆวันนี้ทําไม่ได้ก็พยายามขูดกราวไปนี่ก็หมายความว่าแกเกิดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องพยายามขูดกราวไป เหมือนกับบางครั้งส่งอุปมาให้เห็นว่ามันเหมือนกับสนิมที่เกิดแต่แรกมันก็เกิดมานานวันเราจะทำเพียงเบาๆจะให้สนิมนั้นมันหลุดไปมันก็เป็นไปไม่ได้เราก็ต้องพยายามขัดเกราวไปเรื่อยขูดกราไปเรื่อยๆในวันละนิดละหน่อยก็ยังดีอย่างน้อยก็สนิมมันก็ล ด, ดลงกันแล้กันนี่คือใช้วิริยะสังวรหมายความมาสมรวมที่จะละความชั่วที่มีอยู่แล้วกิเลสที่มีอยู่แล้ว บางครั้งแกมากๆแ่ละวันสองวันเขาก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ข้อสำคัญว่าให้ใช้ความพยายามต่อไปจงใช้กับว่าจงใช้ความเพียรพยายามจงกระทำให้มากกระทำบ่อยกระทำเป็นนิดกระทำให้เป็นญาณเรื่องอาศัยก็พยายามขัดเกลากันไปในการปฏิบัติชั้นหนึ่งนั้นเรียกว่าเป็นญาณสังวรหรือสํมรวมด้วยความรู้ ก็นี้ท่านสาธารชนทั้งหลายเห็นว่าจริงๆชั้นของญาณสังวร น, นั้นเป็นเรื่องของญาณที่เกิดผุดขึ้นภายในใจของบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติเห็นไหมความว่าเมื่อกําหนดรู้ส่วนที่เป็นสภาวธรรมคือทุกขสัจพยายามละส่วนที่เป็นสุทยัยสัจลงมือประพฤติปฏิบัติในกลุ่มธรรมะที่เป็นมรรคสัจแล้ว ยานก็จะเกิดผุดขึ้นภายในใจของบุคคลจะทรงอุปมาเหมือนพระอาทิตย์อุทัยขึ้นก็กระจัดมืดแสงสว่างบังเกิดขึ้นก็กรจัดความมืดหรือความสบายบังเกิดขึ้นก็กจัดความไม่สบายออกไปนั่นเองญานใสองวรจึงเป็นไปภายในจิตโดยโดยอัตโนมัติคือใจเป็นยานไปได้ จะรู้เท่าทันต่ออารมณ์ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นบางครั้ง้ะเรียกว่าตาชิโนคือเป็นผู้ที่คงที่ไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงล ง, ลงไม่ว่าจะประสบความสุขหรือประสบความทุกข์ก็ตามเป็นผลสุดยอดของการปฏิบัติธรรมในทางศาสน า, ศาแต่ในระดับที่ลดหลั่นลงมาผู้ปฏิบัติธรรมก็จะเห็นว่าระดับญาณสังบร คือความสํารวมด้วยญาณคือความรู้รู้จะใช้ปัญญาก็ตามเราก็สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราเจประสบกับอารมณ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราเกิดความรู้ทันในขณะนั้ น, น, นมันเป็นขบันอย่างนั้นเองแม้แต่ใช้คำว่ามันเป็นขงมันอย่างนั้นเองหรือว่าใช้คำว่าธรรมดา คือใช้คำที่ทรงใช้คำมารีว่าสภาวะมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครหลอกจะร่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้แต่เป็นการเกิดขึ้นทันต่ออารมณ์ที่ได้ประสบในขณะนั้นนั้นความรักความชังในอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่เกิดขึ้นยามใดที่ได้สิ่งที่น่าปรารถนาก็ร่วมมันเป็นกับมันอย่างนั้นเอง ธรรมชาติา of, มันเป็นอย่างนั้นสภาวะมันเป็นอย่างนั้นไม่พ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้เวลาลาบเกิดขึ้นก็มีความร pensando, on, ู้ทันเวลายศเกิดขึ้นก็มีความรู้ทันเวลาสรรเสริญเกิดขึ้นก็รู้ทันเวลสุขเกิดขึ้นก็รู้ทันก็รู้ว่ามันก็เกิดขึ้นมาจักเหตุประจัยเหตุประจัยอย่างนี้แล้วมันเป็นอย so nice. lim ่าง น, pity, zwischen, aime, alguém, лем, hand, นี้ทุกทีแหละใกล้ๆฝนตกมากเลยน้ำท่วมทุกทีแหละไม่ใช่พูดไว้เฉพาะวันนี้เดือนนี้ปีนี้ปีไหนมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ ในในส่วนใดของโลกก็คงเป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็รู้ทันเขาวันอย่างนั้นเพื่อปรับใจใ ห, ให้ยอมรับธรรมดามเป็นอย่างนั้นเองทีนี้เวลาเสื่อมมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะเมื่อเหตุปัจจัยสลายไปคล้ายๆกับฝนตกน้ําท่วมเสร็จได้ไมีกี่วันก็แข้งไปมันก็เป็นอย่างนี้แหละกี่ร้อยกี่พันกี่ล้านปีมาก็เป็นอย่างนี้เองเพราะในความเสื่อมอีกด้านหนึ่ง คือเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกตินทาได้รับความทุกข์เราก็รู้ตามความจริงเดียดนั้นใจมันก็มัธยัสเป็นกลางได้คือมองสิ่งทั้งหลายด้วยเบิกขาทําได้ใจก็จะไม่แล่นไปเพลิดเพลิน เ, เริงหลงสนุกสนานเฉลิมฉลองยำได้สิ่งที่น่าปรารถนาไม่ทุกข์ไม่โศกไม่หมุนมองเศร้าซึมเพราะประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา แต่ในขณะเดียวกันเรากระบริโภคใช้สอยเกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแต่เป็นการเกี่ยวข้องผูกพัน์ยังมีความรู้ทันต่อสิ่งเหล่านั้นซึ่งกนนรณีพระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าพวกอารมณ์ทั้งหลายจะน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามทรงยกตัวอย่างพวกโลกธรรมทั้งแปดประการเพราะที่จริงแล้วมันก็เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายอย่างในกรณีของลาบพระพุทธเจ้าเอง มีคนเคารพนักถือมากนำอาหารมาถวายขนาดว่าพระฉันเป็นร้อยๆแล้วยังเหลือเลี้ยงคนได้เป็นร้อยๆแสดงว่าลาบจเจริญด้วยลาบแต่บางครั้งพระพุทธเจ้าก็ไปอดอาหารอยู่ในที่บางแห่งเช่นคราวสเสด็จเมืองเวรัญชาก็ไม่มีคนตัก บ, บาดมันก็อดอาหารนี่ก็สแสดงว่าเสื่อมลาบมันก็เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าเหมือนกันการยกย่องสรรเสริญพระเกียรติคุณแพร่กระจายไปในที่ต่างๆ บางครั้งไปในบางเมืองเช่นไปเมืองโกสมพีก็เจอหน้าคนก็ด่าเรื่ยก็แสดงว่าถูกทั้งยจกจ้องสันเสริญแล้วก็ถูกทั้งนินทาบางครั้งแม้แต่เรื่องยศอิศยยศนั้นก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงชนะกิเลสคือเป็นความใหญ่ในกิเลสแน่นอนมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแต่บางครั้งพวกบริวารก็เสื่อมไปเชนก่อนจะไปนิพพานภาษารีบุตรก็นิพพานพระมกกัลานะก็นิพพาน เจ้าพิมพ์พิสานก็สวรรคตรเจ้าปัจเจเนโกุศลก็สวรรคตรเจ้าสุทโธตนาก็นิพพานอยอมรับสังว่าโปรองเวลานี้ทิศทั้ทงปวงมันมืดมิดไปหมดเมืองก็แขนทั้งสองทั้งขาดไปนี้แสดงว่าเสื่อมแต่ก็เสื่อมก็เท่านั้นเพระไรพระองค์รู้ทันถึงความจริงในสิ่งเั้นดังนั้นจึงทรงแสดงความแตกต่างที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลยามเกี่ยวข้องกับพวกโลกธรรมว่า ไอ้จุดแตกต่างมันอยู่ที่ว่าเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแกผู้ทุชนเขาจะไม่รู้ตามความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้นและในที่สุดก็จะเพลิดเพลิน เ, ร, เริงหลงเมื่อส่วนที่เราพอใจเกิดขึ้นเศร้าซึมหม่นหมองง้อยเงาจนถึงกะจืดชือชาเย็นจดมีการเซ็งเกิดขึ้นเพราะว่าประสบกับสิ่งที่ไม่น่าปรารถนา แต่สหร so so awesome. ับพระรีเจ้านั้นพอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นยานคือความรู้ก็เกิดขึ้นทันกับสิ่งเหล่านั้นรู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเกิดมันก็เกิดดับมันก็ดับเกิดก็เท่าที่มันเกิดมันเกิดเท่าไรก็เกิดเท่านั้นแต่ไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงใจให้เกิดเป็นความกำหนัดเพลิดเพลินยินดี มันดับก็เท่าที่มันดับคือจะไม่ทําให้จิตใจของบุคคลพลอยดับไปด้วยคือพลอยเศร้าโศกเสียดายปริเวธนาการคร่ำครวญร่รไรวําพันไปด้วยจริงเหล่านั้นมันจึงเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมาันใจเราก็จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเราโดยไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมาเป็นมีอิทธิพลครอบงําใจแล้วญาณนะสงวรคือความสํารวมณ์วดยยาห น, นีผู้สังเกตว่าในการปฏิบัติเช่นอเวทนา ทุกเวทนาก็สํารวมด้วยญาณหมายความว่าเราก็แก้กันมาทุกขั้นตอนในชั้นแรกคือไม่เกี่ยวข้องกับเหตุให้เกิดทุกขเวทนาพยายามหลีกหนีเหตุเกิดทุกขเวทนาแต่บางทีก็หลีกไม่ได้ก็ใช้อินเสียสังวรคือสํารวมระวังตัดกระแสของอารมณ์ไม่นํา ม, มาปรุงคิดคิดปรุงแต่บางทีก็เอาไม่ได้อีกเราก็ใช้ขันติคือความอดทนต่อทุกขเวทนาที่บังเกิดขึ้น ทีก็ทนกันไม่หวาดไม่หวมันมากได้เกินก็ใช้ปริญญาสังวรค่อยๆ ย, ยกคือของมันหนักก็ค่อยยกอยกออกไปเรื่อยๆความเบามันจะเกิดขึ้นทุกเวทนาที่บงับงเกิดขึ้นก็พยายามกจัดเหตุของทุกเวทนาให้มันเบาลงนี้แสดงว่าเราใช้ในกรณีที่สิ่งเหล่านั้นถ้ายังไม่เกิดก็พยายามป้องกันไปเรื่อยแต่เกิดแล้วก็พยายามทนพยายามใช้ความเพียรแต่วันหนึง่งพอมาถึงชั้นนี้จะพบว่าใช้หยาหรือความรู้ เวลาทุกเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้มีทุกขเวทนาบางเกิดขึ้นเวลาสุขกเวทนามันเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้เรากำลังสวยสุ ข, ขเวทนาจะเจอด้วยอะไรไม่เจอด้วยอะไรหรือว่าเป็นนะทุกขกรรมสุขคือไม่ทุกขไม่สุขเย่างกลางๆอยู่ก็รู้ตามความเป็นจริงเหล่านั้นรู้แล้วเป็นอย่างไรรู้แล้วก็อาจจะ ทำใจให้สงบอยู่กับเวทนาเหล่านั้นก็เป็นการเป็นปัติอีกระดับหนึ่งหรือขจัดสาเหตุของทุกขเวทนาพยายามเพิ่มเหตุของสุขเวทนาแต่วบางชั้นหนึ่งเราใช้ทุกเวทนาคือจะทุกหรือจะสุขหรือจะไม่ทุกไม่สุขก็ตามก็ดูแกเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วแก่ไม่ได้เกิดอยู่ในสภาพใดสภาพหนึ่งโดยเฉพาะมันเป็นลักษณะการไหล ของกระแสะเวทนาทำนองใกงล้ๆกับฝนตกคือไม่ตกสม่ำเสมอบางทีก็แรงบางทีก็หย่อนลงบางทีก็หายไปบางทีก็มาใหม่เริ่มมาจากอ่อนลงแล้วก็แรงแล้วก็หายไปแต่บางทีมันหายไปจากที่แรงบางทีหายไปจากที่หย่อนอดอตกเวทนาก็มีลักษณะอย่างนั้นแกเกิดขึ้นแล้วแกก็ปรากฏปรากดแกก็เปลี่ยน เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเช่นว่าทุกข์ก็อาจจะทุกข์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่มันถึงจุดหนึ่งเนี่ยแกต้องลดมันเป็นกฎอย่างหนึ่งของธรรมชาติไม่ว่าจะอะไรก็ตามเช่นน้าพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดแล้วจะต้องลดอ่ะมันนี้จุดหนึ่งที่จะต้องลงหรือไม่มีไม่มีอะไรที่จะขึ้นได้อยู่ตลอดไปคือจะต้องลงมามันเป็นกฎของวันอย่างนั้นเองท่านเวทนาแม้จะทุกข์สุดขีดถึงจุดหนึ่งแกก็ลด สุกถึงจุดสุดขีดถ้ายังเป็นโรคอยู่แก่เขลดแล้วในรดนั้นแกก็ลดลงมาเรื่อยๆลดแรงแรงก็ไม่แนข่ข้อนี้เราอาจจะมองอาจจะศึกษาด้วยกันอย่างว่าเปิดกระแสน้ําให้ไหลจากก๊อกประปา ก, ก็ได้ก็จะเห็นว่าไอ้ไหลแรงไหลหลน้อยหยุดเร็วหยุดช้านะมันอยู่ที่เหตุปัจจัยเหตุปัจจัยหลักในขณะนั้นก็คือมือของเราที่จะเปิดก๊อกน้ํามันจะเปิดยังไงเปิดเร็วหรือเปิดช้าก็ค่อยเปิดหรือว่าเปิดรวดเร็ว กระแสน้ํำก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของเราแต่ว่าในขณะเดียวกันเหตุปัจจัยหลักของมันก็คือน้ําจะต้องมีมากหรือมีน้อยอยู่ในที่ น, นั้นในท่อปแปบรผันนั้นปัจจัยตั้งหลาย ก, ก็มาสนับสนุนการจากการกระทําของเราอยากสภาวะของสิ่งเหล่านั้นแล้วมาเมื่อเกิดความรู้ขึ้นมาก็จะพิจารณาเห็นว่ามันก็อย่างนั้นแหละเพราะจริงๆแล้วแก่ก็เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเหมือนกัน เราจะให้สุขก็ได้จะให้ทุกข์ก็ได้บางทีมันทุกข์เนี่ยเราจะให้สุขก็ได้ข้อนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความคิดของคนเช่นบางคนประสบปัญหาเล็กๆน้อยๆก็เกิดความทุกข์ปริเวณนาการครอบครววไปด้วย ป, ประการต่างๆแต่ถ้าคนเข้าใจหาประโยชน์ก็จะต้องมองเห็นว่าธรรมะปฏิบัติข้อหนึ่งในสัญญาสิบที่ทรงแสดงไว้ในคริมานนทสูตรนั้นก็มีทุกขกับสัญญา คือการกําหนดหมายเห็นความทุกข์แล้วหาประโยชน์จากตัวความทุกข์นั้นเองพิจารณาให้เห็นถึงความไม่มีสาระไม่มีแกนสารการตกอยู่ในสภาพใจรักษของสัตว์ในสังขารทั้งหลายก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเราก็จริงแล้วความทุกข์เหล่านั้นตัวการใหญ่มันก็อยู่ที่ใจบุคคลไปยึดมั่นถือมั่นก็อยู่ถ้ารู้จักปล่อยรู้จักส ร, รู้จักละรู้จักวางเสียบ้างความทุกข์มันก็ไม่มีอะไรเท่าไร ความทุกข์จึงอยู่ที่การยึดถ้าไม่ยึดมันก็หมดทุกข์หรืออย่างน้อยก็บรรเทาความทุกข์ลงไปได้แต่โดยปกติในชีวิตคนเรานั้นจะพบว่าเราคว้าหมดเดยคว้าทั้งรูปทั้งเวทนาทั้งสัญญาทั้งสังขารทั้งวิญญาณไอ้ขันก็เราห้าขันเนี่ยก็แบกกันสหัสสาการอยู่แล้วแล้วคนก็พยายามเพิ่มขันขึน้นมาทีละห้าขันห้าขันไปเรื่อยๆแม้ก็หนักก็ขนาดขันเราขันเดียวยังแบกหนักอยู่ เพิ่มกันทีละห้ามันก็เป็นสิบเพิ่มอีกห้ามันก็เป็นสิบผ้าก็เพิ่มไม่เรื่อยขันมันก็ต้องหนักเป็นธรรมดาแต่ทีนี้บางทีเนี่ยคนแม่จะไปแบกขันเอาไว้มากมายอย่างนั้นก็ตามจะรู้ในการใดควรแบกในการใดไม่ควรแบกในการใดควรปล่อยวางเอาไว้เราก็จะสามารถหาความสุขได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงว่าสภาพของชาวโลก คนมีบุตรเศร้าโศกเพราะบุตรคนมีทรัพย์เศร้าโศกเพราะทรัพย์คนมีโคเศร้าโศกเพราะโคคนมีเลือกศวนย์ไร่นาญาติมิดเข้าเศร้าโศกเพราะเรือกศวนญ์ยานายาดมิดก็กระจายออกไปกันแล้วแต่จะกระจายก็นี่จะเห็นว่าใงเช่นความทุกข์เพราะบุตรเนี่ยถ้าเราไม่มีบุตรเราก็ไม่ทุกข์แต่ในขณะเดียวกันนั่นเองยามที่มีบุตรก็อย่าให้ทุกข์เพราะบุตรได้ ท่นี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าโดยหลักการปฏิบัติแล้วจะพบว่าพระพุทธเจ้าใช้ให้คนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือแก่สถานะในฐานะของมารดาบิดานั้นถ้ารู้หลักในพรหมวิหารธรรมและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักของพรหมวิหารธรรมเวลาไหนใช้อะไรควรใช้ธรรมะข้อไหนแล้วใช้ให้ถูกตรงตามนั้นในกรณีของ วิญญาณพ่อวิญญาณแม่จะต้องมีความรักมีความมุ่งดีปรารถนาดีตัวลกูกจะต้องลองถามใจตัวเองว่าไอความดีความสุขความเจริญของบุคคลอื่นนั้นจะเกิดขึ้นด้วยความตั้งการตั้งความปรารถนาของอีกคนหนึ่งจะได้หรือไม่ถ้าหากว่าเราตอบว่าได้คนก็ไม่ต้องทำอะไรกันยิ่งแต่คนหนึ่งไปตั้งความปรารถนาแล้วคนทั้งหลายก็เป็นสุขกันหมดเลย ฟังแล้วก็เป็นนิยายนั่นเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้แต่ว่าใจเราในขณะนั้นจะได้รับความสงบเจนถ้าหากว่าลูกของเราไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการอยู่ในวิสัยที่จะช่วยเหลือแกได้เพื่อช่วยเหลือแก่ไปด้วยอาศัยกรุณาไม่ปล่อยความสศขกัดกร่อนจิตใจแต่ก็ช่วยเหลือแกด้วยความการุณาของแกเต็มตามต่อแกเต็มตามความสาบา เวลาประสบผลที่ต้องการเช่นลูกเกิดมาสุขภาพปรานาไมาด่ดีป่วยแล้วหายป่วยประสบความสำเร็จในการงานในการรงชีวิตเป็นต้นเราก็มทุทิตาชื่นชมยินดีกแก่แก่นี่แสดงว่าเป็นการเคลื่อนไหวของจิตอย่างรู้เท่าทันต่ออารมณ์เราก็จำนองคล้ายๆกับการรับประทานอาหาร คือไม่ได้ใช้เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะไม่ใช้ช้อนตลอดไปใช้ซ่อมตลอดไปใช้มือตลอดไปหรือใช้ช้อนโต๊ะช้อนอะไร่ะไรตลอดไปแต่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งในกรณีใดในกรณีใดให้เหมาะสมแก่กรณีดังนั้นธรรมะปฏิบัติจะมีลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถ้าทําใจได้เช่นนั้นเดี๋ยวพบว่าในช่วงของการใช้เมตตาจิตก็จะไม่ตกไปฝ่ายราคะแล้วก็ฝ่ายของสันถากาิ ในช่วงของการใช้เบิขาจิตจะไม่ตกไปในใครของความโศกและก็สายของวิหิงสา ค, คือความเบียดเบียนในกรณีที่ใช้มุติตาอยู่จิตก็จะไม่ตกไปทางริษยาและไม่ตกไปทางการมีสุขขอมีส่วนร่วมเพราะใดเพราะว่าธรรมะปฏิบัตินั้นจะต้องอยู่ตรงกลางเดียว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทาถ้าหาักไปใช้หรือหักไปขวาก็แสดงว่าผิดธรรมะแล้ว เมื่อเป็นไปตามที่ราหวังเมตตาก็เพิ่มขึ้นกรุณาก็เพิ่มขึ้นมุติตาก็เพิ่มขึ้นเมื่อไม่เป็นไปตามที่หวังคนก็ยอมรับความจริงว่าสิ่งทั้งหลายนั้นแต่และคนมีกรรมของเขาเองเพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายและคนทั้งหลายจึงมีกรรมเป็นของของตนแล้วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรม ม, รร ม, รร ม, มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ใครทำกรรมันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะงั้นความสุขความทุกข์ในชีวิตของลูกเราความเจริญก้าวหน้าความตกต่ำในชีวิตของลูกเรานั้นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่เราจะช่วยเหลือก่ได้โดยเฉพาะในด้านของความเจริญก้าวหน้าแต่บางครั้งพ่อแม่ไม่ดีก็จะมีส่วนในความเสื่อมความตกต่ำของลูกก็ได้อีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการกระทําของแกเอง อีส่วนหนึ่งนั้นก็อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยภายนอกสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีส่วนผักดันทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีแต่อีส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของอิทธิพลกรรมกรรมในอดีตที่แกได้กระทำเอาไว้และไม่มีใครจะไปฝืนกรรมเหล่านั้นได้แม้แต่เราเองก็เป็นไปตามกรรมเพราะงั้นบางครั้งลูกเราก็ต้องเป็นไปตามกรรมทำใจมัธยัสถ์อยู่ด้วยอุเบกขาได้อุเบกขาก็เป็นปัญญาปัญญาก็คือความรู้ หมายความมาสัมรวมระวงังจิตด้วยความรู้นั่นเองอุเบกขาท่านจึงแปลปการเข้าไปเพ่งดูเพ่งดูความจริงว่าช่วงนี้ขณะนี้ทำอย่างไงจึงจะมีความสุขทำอย่างไงจึงจะเกิดความสงบทำอย่างไงจึงจะยุติปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้ปัญญาที่บังเกิดขึ้นนั้นก็คือญาณที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับเหตุกับกับบุคคลกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา การเจริญจิตานุปัสสนานั้นเห็นได้ชัดว่าใช้ญาณญาณอสงวนเป็นหลักคือต้องรู้ทันจิตมีราคะก็รู้ทันว่าจิตมีราคะจิตมีไม่มีราคะก็รู้ทันว่าจิตไม่มีราคะจิตมีตัวสักระู้ทันว่าจิตมีตัวสัจิตไม่มีตัวสัจิตมีตัว่าจิตไม่มีโทวสัจเป็นต้นซึ่งก็หมายความว่าถ้ารู้ทันแล้วเวลาจิตตกไปฝ่ายกิเลสก็ต้องพยายามขจัดปัดเป่าผ่อนคลายไป โดวยวิธีอะไรถ้ายังทําไม่ได้ก็ใช้วิธีสํารวมระวังสํารวมระวังไม่ได้เก่เกิดใช่แล้วต้องใช้วิธีของขันติอดทนตารมเอาไว้แล้วก็พยายามใช้เวริยะสังวรคือสํารวมด้วยญาณสํารวมด้วยความเพียรพยายามแล้วก็ญาณนะสังวรคือสํารวมด้วยความรู้ก็จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าหาก็เป็นความดี ยานก็จะรู้ว่าสิ่งนี้เป็นความดีเป็นจิตที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเป็นจิตที่มีความสงบก็พยายามประคับประคองจิตของตนไว้ให้อยู่ด้วยความสงบเพราะนั้นธรมปฏิบัติในชั้นนี้จะพบว่ามันเป็นปัจจัยอาศัยสนับสนุนกันธรรมยาณสังวรเป็นผลสูงสุดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะคือกลุ่มของอริยมรรคแต่ว่าระดับญาณสังวรที่เราจะใช้ในชีวิตประจําวันเราก็ใช้ได้ คนนี้ผมสังเกตว่าที่จริงแล้วเช่นเราจะเดินพอเห็นเป็นเป็ น, ปนหลุมเป็นบ่อเป็นเป็นหนามเราก็ยกเท้าเสี้ยทันทางที่เหยียดเท้าไปแล้วนี่ก็เป็นลักษณะของญาณในสังวรคือรู้ทันสํารวมระวังด้วยญาณคือความรู้เราก็หยุดแต่หยุดมัน ก, ก็ไม่เปื้อนเท้าไม่เจ็บเท้าไม่หกล้มไม่พลั้งพลาดการใช้ปัญญาระลึกรู้พินิจพิจารณา ในกอบขายของยาณสังวรจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขความสงบขึ้นภายในจิตของตนและโอกาสที่จะสัมผัสผลอันเป็นตัวของผลจากยาณสังวรที่แท้จริ ง, รงก็จะใกล้เข้ามาโดยําดับตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติอย่างตนตแต่จตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสุขต่อไป